แล้วก็จะได้ปรับชีวิตให้ถูกเนี่ยอะยังยกตัวอย่างเช่นที่เมื่อกี้ที่พูดใช้คําว่าเห็นคนที่เขาตัดถนนหรือเห็นคนที่เขาจะสร้างตึกสูงๆเนี่ยเวลาเขาจะตั้งฉากเนี่ยนะยกตัวอย่างถ้าตัดถนนก่อนถ้าตัดถนนเนี่ยเวลาเขาตัดเนี่ยบอกหนึ่งเขาจะต้องให้ตรงจริงๆนะที่การตั้งหรือว่าเคลื่อนไม่ได้สมมติถ้าเคลื่อน หนึ่งกระเบียดนิดเดียวเงี้ยนะเคลื่อนนิดเดียวเนี่ยเราจะตัดถนนมาสุพรรณเนี่ยมันไม่ไปสุพรรณนะมันจะไปจังหวัดอื่นทัทนทีมันไอทีละนิดละนิดละน็ดละนิดเนี่ยมันไปอีกที่เลยเหมือนกับยอดตึกที่สูงสักร้อยชั้นเนี่ยนะถ้าเราตั้งฉากเอียงนิดเดียวเท่าน่ะข้านิดเดียวเนี่ยไปอย่างนี้เลยนะปลายสุดน่ย ทีนี้ทิฏฐิที่เราตั้งเลยทีนี้ทิฏฐิที่เราตั้งเลถ้าเราตั้งแบบประเภทที่ไม่ตรงพระธรรมของพระพุทธเจ้านิดนึงมันจะค่อยๆไปมันจะค่อยๆเฉียงไปเฉียงไปเฉียงไปเลยในที่สุดจริงๆมันนิพพานของเราเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไปเจอของใครก็ไม่รู้ทั้งบอกว่าตรงนี้สำคัญ ไอ้วิธีคิดเนี่ยต้องเอาให้สอดคล้องกับพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่าที่เอาพระธรรมมาคิดกันเองเนี่ยมีใครจะมีใครตั้งฉากตรงพระพุทธเจ้าเราศึกษาพระธรรมให้ดีแล้วเราจะหวาดเสียวให้แล้วจะคิดว่งไงรู้ไหมคนที่เรียนธรรมมาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจาพระธรรมผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับ แต่ถ้าใครมีความเห็นถูกต้องเนี่ยผิดปกติแปลกเขาเข้าใจได้ยังไงเขาคิดได้ยังไงเขาคิดจนจนสอดคล้องกับพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยมันหายากเนอะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนคือคือตรงนี้นะเพราะว่าคนที่คิดให้ตรงในยุคนี้มีน้อยมากในสมัยก่อนก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมในปัจจุบันยิ่งน้อยใหญ่ ฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพิจารณาตรงนั้นว่าออใช่ไหม ต, ต, ต้องต้องต้องตั้งอัดไอคำว่าอัตตดสมมาปฏิที่เนี่ยหรือว่าประพฤติธรรมตามสมควรแก่ทำเนี่ยจะต้องชัดเจนเนตรงนี้ตรงนี้ทัง้งบอกว่าอย่าให้เอียงจนถึงขนาดไปคนละที่โอ้โหถ้ามันปรับวิธีคิดขั้งแรกมันผิดเนี่ยมันจะไปผิดเลย ให้สังเกตดูไหมว่าเวลามีคนหินผิดขึ้นมาบูเทจเอาถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะต้องเรียกมาสอบสวนมาให้ปรับวิธีคิดใหม่ทันทีเลยนะนะขนาดนั้นเลยนะเพราะคนที่คิดไม่ตรงนะ่ะมันเยอะแล้วและเป็นเรื่องปกติของชาวโลกของคนที่จะอยู่ในวะตถะนะฉะนั้นไอ้วิธีคิดหลากหลายคนนั้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้ยเป็นเรื่องปกตินะปกติอย่าแปลกว่าเป็นอย่างนั้นจริง จึงบอกว่าสัตว์จึงมากมายจริงๆ จ, ง จ, งจึงวิจิตพิสดารจริงๆอะนะอย่าแปลกใจเลยเขาบอกว่าต้องดูตรงไหนยมสุรีต้องบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่วิจิตพราะอะไรวิจิตเพราะใช่ไหมจิตวิจิตพ่ออะไรวิจิตนะสัตว์ทั้งหลายที่วิจิตเพราะอะไรวิจิตพราะกําเนิดวิจิตใช่ไหมกําเนิดวิจิตพราะอะไรวิจิตการกระทําทางกายทางวาจา และทางจิตใจที่วิจิตกรรมที่ทํากระทาทางกายทางวาจาใจวิจิตพร่อะอะไรวิจิตตัณหาหรือเ่าใช่ไหมเพราะตัณหาไอ้ตัณหาวิจิตเพร่อะอะไรเพราะสัญญาใช่ไหมไอ้สัญญาวิจิตเพ่อะอะไรก็เพราะจิตนช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ก็ไล่ไปตามลําดับใชนไหลักษณะของวิจิตต่างๆเหล่านี้ <c oughs> <c oughs> อะมาดูจุดติจิตต่ อ, อต่อไปดู วิธีที่สมเอยเดี๋ยวย ว, ยวในวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองเนี่ยเป็นบุคคลหนปุตุชนสียอายะผลเบื้องต่ำสองนแล้วก็ส่วนภูมิก็คือกามภูมิส1บอดน่นะส่วนวิธีที่สมท่านใส่เป็นกามาอุเบกขาผวังหรูปพวังห้าอันนี้ไม่มีไม่มีตถา ร, รัมพนะน วิธีอธิบายก็ในยะเดียวกันพวังอทิแต่ตวพวังพระวังกเจรณะพระวังคู่ประเชทาปัญจทวารชนะปัญจวิญญาณน่กาวควบจริงๆถ้าในรูปพระวังไม่มีปัญจวิญญาณครบหรอกก็มีจกักวิญญาณกโสตวิญญาณมีสี่ดวงนันก็แยกแยะ ก, ยกันไปสัมปติชนะสองสันตีสมวัธถปนากามชาวนะ20ก็คืออากุศลชาวนะ12มหากุศลชาวนะ8 ก็ลงจุติจิตเลยแล้วก็ปฏิสนธิทันทีเลยจริงๆตรงนี้ท่านกล่าวไว้โดยฐานะเห่งการที่ผวางภวังที่เกิดสืบต่อปฏิสนธิเป็นต้นไปนะั้นมีอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันก็ได้เนยะเพราะอารมณ์ยังเหลืออยู่ใช่ไหมตัตถะธรรมะเอาไปกรร ม, มาอารมณ์กรร ม, มนิมิตมองไหมหรือคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งยังเหลืออยู่ไหม อารมณ์ยังเหลือถ้าอารมณ์จะเกิดที่อุปาถ้าสมมุตินะจะเกิดที่อติอุปาทขศน์นาของขอโทษทีอารมณ์เกิดที่อุปาทขณะของอตีแต่ผวังใช่ไหมวิธีนี้รับปัจจุบันอารมณ์อยู่แล้วอารมณ์เหลือไหมกรรมอารมณ์กรมนิมิตรูปอารมณ์สัทธาอารมณ์คันธารอารมณ์ลาสารอารมณ์โหดถารล์และธรรมอารมณ์เออแค่โพดขอโทษทีโหดถารล์เนี่ยอารมณ์ห้าชนิดเนี่ยนะที่ปรากฏเนี่ย ตรงนี้นี่แหละมาเรียกมาเป็นกรรมมาอารมณ์ใช่ไหมเออมาเป็นกรร ม, มนิมิตรหรือคตินิมิตอารมณ์เนี่ยเพราะว่าปัญจทวาร น, นี่รับกรร ม, มอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้รับกรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าอารมณ์เกิดที่อุปาถะขนาดของอตีเตระวังลงนับไปทีไปจนถึงจุติจิตเนี่ยอารมณ์ยังอยู่ไหม อารมณ์อยู่อีกเท่าไหร่หนับให้ได้สิบเจดต้องนับไปมาที่พระวางดวงไหนดวงที่สี่ใช่ไหมดวงที่สองแสดงว่าอารมณ์ที่เป็นกรรมะกรรมมนิมิตหรือคตินิมิตนั้นอารมณ์ยังอยู่อีกสองขณะของพระวังแสดงให้เห็นชัดว่าปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นปัจจุบันผวังสองขณะที่เกิดต่อก็ยังมีอารมณ์เป็นปัจจุบันอย่างนี้ไหมไม่ใช่มีอารมณ์เป็นอดีตเพราะอารมณ์นั้นยังไม่ดับไป ลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาบอกอารมณ์ปฏิสนธิในพบต่อไปยังสามารถรับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้อัศจรรย์มากเลยตรงเนี้ยนะเพราะอปฏิสนธิอันนี้ไม่ใช่อารมณ์เดียวกับิตอนนี้ไม่ใช่มีอารมณ์ในชาวนะเนะเป็นปฏิสนธิในพบใหม่ มีอารมณ์ที่เป็นกรรมมานิมิตรอารมณ์หรือคตินิมิตรอารมณ์ที่ในมรณาสันนัชวนะนั่นแหละนะในมรณาสันาา น, นัชวะนะ น, น, น, นั่นแหละเป็นอารมณ์เช่นั้นปฏิสนธิจิตในภพถัดไปพะวังสองขณะในภพถัดไปจึงมีปัจจุบันกรรมมานิมิตหรือคตินิมิตนั่นแหละเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์แล้วก็ดับไปมีอะไรเป็นอารมณ์เดียว ฉะนั้นบุคคลสี่อบุคคลหกเนี่ยนะปุตชนสี่ทุกติอายะทุกขะบุคคลสุกติอเยะทุกขะบุณฑิตอายะทุกขะปุตชนต้นเนี่ยนะแล้วก็ผลเสกขาบุคคลสองเนี่ยนะในภูมิยี่สิบเอดกามปรภูมิสิบเอ็ดรู ป, ประภูมิสิบเว้นสุดท่าวาสภูมิห้าเว้นสุดท่าวาสภูมิห้าไเนี่ยก็เกิดในลักษณะเช่นนี้เขาก็จะมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนย ที่สุดจริงๆก็คือว่าพิจารณาดูอย่างนี้ก็คือว่าถ้าถ้ากลุ่มผ้าเยอะบุคคลเบื้องต่ำสองโซดาสกาทาท่านก็ไปดีแล้วนกลุ่มไม่ต้องเป็นห่วงอีกสี่บุคคลยังน่าเป็นห่วงนะแต่ติเหตุกับปุถุชนก็ยังหายใจโล่งๆอยู่พักเทวิเหตุกับบุคคลชักยำแย่แล้วเนะยชีวิตเนะี่ยก็ดูตรงนั้นนี่เห็นนะ ทีนี้ต่อมาเป็นวิถีที่สวิถีที่สี่ก็ผวังสิบเอดเหมือนกันกามะอุเบกขาผวังหรูปผวังห้าปัญจทวาราวชนะทวิปัญจวิญญาณจิต10สัมปติชนะสองสันติสโมโภตทปนากามาชาวนะยี่สิบเหมือนเดิมลงผวังสิบอดไปก่อนก็แปลว่าจุติจิตยังไม่เกิดเพราะอะไร เพราะกรร ม, มชรูปยังไม่ดับเป็นครั้งสุดท้ายเห็นไหมถ้ายังไม่ดับเป็นครั้งสุดท้ายถึงเวลาใดก็จะต้องไปยืดยาวตามสภาพของนั้นๆไปอันนี้ผวังสามขนะก็แปลว่าพอขึ้นผวังดวงที่สี่แปลว่ากรรม ม, มัชรูปหมดใกล้ใช่ไมใกล้จะหมดอยู่แล้วอุปาทัขณะเหลือเท่าไหรนะ่เนี่ยเหลือยี่สี่ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ อุปาทคณาของจุติจิตเหลือย4ภสี่พังคคณะทิติขณะของจุติจิตเหลือส6บห 16, ส่วนพังคคณะของจุติจิตก็แดดับลงตรงนี้ดับลงตรงนี้นี่ไหมเพราะดับลงปฏิสนธิก็ต่อส่วนอารมณ์ก็วัดดูว่าจะเป็นวิธีทั้งสี่ประเภทนี้มีปัญจารมณ์นะ กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับกรรมที่เคยกระทาไว้แล้วในพบนี้หรือพบก่อนๆเป็นอารมณ์เนี่ยในวิธีเนี่ยนะการคิดบุคคลอะไรต่างก็ตามตา ม, ตามในยานนะั้นนี่เป็นอย่างนี้นะนี <c oughs> ่เป็นอย่างนี้อระการต่อมานี่มาแยกมาแยกตามประเภทไปตามประเภทที่แยกในวิธีแรกที่แยกออกมานั้นน่ะเนะ่ อันนั้นแยกให้ดูว่าที่ไม่มีอตัตีแต่พอวังคือถ้าไม่มีอตัตีแต่พอวังเนี่ยเขาแปลว่าเขาไม่ได้รับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมะก็ดูในอันแรกที่แยกไปดูในที่ไม่มีอตัตีแต่พอวังก่อนนะก็มีกาเมพวังสิบทางมโนทวานนะเนี่ยนะทางมโนทวานนะเมื่อกี้ทางปัญจทวานเนี่ยมะมีทางมโนทวานเอาไปดูทางมโนทวานเป็นมรณาสันวิถีเนี่ยนะ ผวงางผวังก็จ ะ, นะะนาานชนะผวังคู่ไปเฉยมโนทวารละชนะมโนทวารละชนะชวนะห้าขนาดตถารรมนาสงตถารรมนาสงแล้วมีไม่ตถาสงขนาดแล้วก็ปฏิสนที่ต่อเลยจุติจิตต่อเลยอันนี้เป็นปัจจุบันหรือเปล่าลมไม่ใช่นะแต่ทางมโนทวารเนืประเภทที่กามรมาวังสิบจุติและปฏิสันที่ในกามรมาผวังสิบเหมือนกัน ในการมาภูมิสิบเอ็ดนั่นแหละสัตว์ที่อยู่ในภูมิสิบเอ็ดนั่นเป็นพวกไหนบุทุชบุคคลหกจำพวกปุสีอริยบุคลบคลเบื้องต่ำสองในการมาภูมิสิบเอ็ดนั่นหละส่วนวิถีที่สองก็เป็นประเภทที่ตถารรรหนาแล้วก็พวังแล้วก็จตินะตรงนี้ก็พยายามเขียนแยกแยะให้ถูกก็แล้วกันนี่ทางมโนทวาระวิธีถ้าถามถึงอารมณ์นะ รวังหน้าและรวังหลังเป็นการมเมืวังสิบใช่ไหมชาวนาเป็นกรมมา ม, ามชาวนะกามชาวนะจริงๆแล้วต้องเว้นอุทธจารเจตนาด้วยนะโดยหลักการจริงๆถ้าเขียนวิถีนี้ขึ้นมานี่ก็ไม่ได้เว้นใช่ไหมเนี่ยต้องเว้นอุทธจารเจตนาเป็นหนึ่งด้วยตัววงเล็บไว้ด้วยนะว่าโดยหลักการจริงๆต้องเว้นอุทธจารเจตนาเป็หนึ่งเว้นโมหะมูลจิตดวงที่สอง ทำไมต้องเว้นก็โมหะอุทธจารเจตนาไม่สามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้ก็จึงต้องไม่เกิดเพื่อจะเป็นช่องทางให้กับกรรมประเภทโมหะดวงที่สองส่งผลถ้าดวงนั้นเกิดก็แสดงว่าอุทธจารส่งผลในปฏิสนธิการได้ตรงนี้ก็ต้องหลักอธิบายก็ต้องอธิบายให้ละเอียดตรงนั้นทีนี้มโนทวารและวิถีรับเอาอารมณ์ที่เป็นไปในการทั้งสามคืออดีต อานาคตและก็ปัจจุบันอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์แม้ปฏิสนธิจิตและผวังกัจิตที่เกิดขึ้นในภพใหม่ก็รับอารมณ์ที่มรณาสันนจิตเนี่ยนะมรณาสนาวิถีจิตในภพเก่ารับเอาไปเป็นอารมณ์นั่นแหละมาเป็นอารมณ์ทีนี้นิมิตเนี่ยนะนิมิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับผวังกัจจานะแล้วก็ที่เป็นรูปอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในผวังกรจรณะแล้วก็ดับลงเลยนะี่ หลังปฏิสันที่จิตในพบใหม่ถ้าเป็นอดีตรหรือเป็นอนาคตเนี่ยก็มีก็ไม่มีการวินิจฉัยปฏิสนธิจิตที่ในกามภูมิก็รับอารมณ์6ที่เกี่ยวกันกับกามภูมิเป็นอารมณ์ใช่ไหมไปปฏิสนธิในพบใหม่ที่เป็นกาลมปฏิสนธิ10ดวงเหมือนกันถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ให้เข้าใจว่าอย่างนี้รับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะตรง น, นี้ท่านกล่าวเข้าไว้ด้วยเนี่วาวิธีจิตเนี่ยมีอารมณ์6 ที่เรียกว่ากรร ม, มาอารมณ์กรรมนิเวศอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างเป็นตัวกรรมหรือเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับกรรมซึ่งได้เคยกระทําไว้ในภะพนี้หรือภพก่อนๆนั่นแหละเป็นอารมณ์ ม, มีอนาคตด้ว ย, ยไห ม, มเออตัดอนาคตออกไปตัดอนาคตด้วยเพราะมีไม่มีปัจจุบนันจริงๆถ้าถ้าอารมณ์ประเภทนี้เขาจัดไว้สาวสามเลยนะโ<า>ดย ถ, ถ้าวิถีธรรมดาใช่ไหม รับปัจจุบันรับอดีตอนาคตปัจจุบันเลยแหละใช่ไหมใช่เวลาเราเราเรียนกันมาแต่ละทีก็ต้องพูดอย่างนี้หรือเปาก็ต้องใช้สำนวนนี้แหละเว้นเว้นอนาคตไปใช่ไหม <c oughs> บางหลักฐาน <c oughs> บางแห่งเนี่ย <c oughs> เขาเอาอนนะ ที่เป็นไปในการทั้งสามท่านใช้คําว่าอย่างนั้นที่เป็นไปในการทั้งสามในวิถีที่เ ม, มีมีอติเตระ ว, ว, วังทีนี้ในวิถีเนี่ยนะในวิถีลักษณะอย่างนี้ก็ก็สังเกตไปตามนั้นที่นี้ต่อมาในวิถีที่ที่สอง ที่2ก็คือตาทาพระวังแล้วก็จุติในยาการอธิบายไม่ต่างกันส่วนวิถีที่3ก็เป็นประเภทชาวนาจุตินะกับชาวนาพระวังจุติแต่ว่าเพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มเป็น15